วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม เพื่อกำจัดตัดพบชาติของการเวียนว่ายตายเกิดให้ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับตามคำสั่งคำสอนของพระปรหมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราหมั่นทำความเพียรกันเพราะการจะหลุดพ้น จากความทุกข์ได้ต้องุดทนได้ด้วยการทำความเพียรวิธีที่จะทำให้เรามีความเพียรเราจะเป็นที่จะต้องคอยถามตัวเองเราอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ถ้าเราไม่คอยถามไม่คอยสอดส่องดูพฤติกรรมของเรา เราก็จะไม่ค่อยได้ทำความเพียนกันเพราะเราจะถูกกำนาจของโมหะอาวิชชาความโลภความโกรธความหลงหลอกให้เราไปสร้างภพสร้างชาติกันอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาทุกการกระทำของเราว่าการกระทำของเรานี้ เป็นไปในทิศทางไหนกันเป็นไปเพื่อการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดหรือเป็นการส่งเสริมภพชาติส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดให้ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเพราะว่าการตัดภพตัดชาติก็ดีการสร้างภพสร้างชาติก็ดีก็เกิดจากการกระทาของเราในแต่ละวันนี่เอง ไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเลยเกิดจากการกระทาของเราเองว่าเรากระทาไปในทางทิศ ท, ทางไหนเหมือนกับขับรถเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังไปไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่ถ้าเราไม่คอยตรวจตราดูทิศทางที่เราไปเราอาจจะไปผิดทางเราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ที่เราต้องการไปได้เราจึงต้องคอยสำรวจดูแผนที่ดู GPS อยู่เรื่อยๆเวลาที่เราเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนเราจาเป็นจะต้องมีแผนที่มีผู้บอกทางให้เรารู้ว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเราไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องเสียเช่นเดียวกับการสะสมภพชาติหรือการตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปให้หมดไปนี้ก็หยุดที่พฤติกรรมที่เรากำลังทำกันอยู่ในแต่ละวันฉะนั้นเราต้องมาดูว่าพฤติกรรมอย่างไหนยังเป็นพฤติกรรมที่จะทำให้กาอภพบกาอชาติ แล้วเราควรที่จะหลีกเลี่ยงมันเสียควรจะหยุดเสียพฤติกรรมไหนที่จะทำให้เกิดการตัดภบตัดชาติได้มากยิ่งขึ้นเราก็ควรที่จะเร่งทำพฤติกรรมเหล่านั้นให้มีมากขึ้นไปเพราะว่าเวลาของพวกเราที่อยู่ในโลกนี้ก็เป็นเวลาที่มีจำกัดและเวลาของแต่ละคนก็ไม่มีใครรู้ว่าสั้นหรือยาว บางคนอาจจะอยู่ต่อไปได้หลายสิบปีบางคนอาจจะอยู่ต่อไปได้ไม่กี่วันก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตของของแต่ละคนว่าชีวิตของตนนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่อาจจะสิ้นสุดลงได้ทุกเวลานาทีดังนั้นเราจึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทคนที่จะรีบผวนขวาย อาเวลาที่อันมีค่านี้มาใช้ในการตัดภพตัดชาติให้หมดสิ้นไปจากใจจะดีกว่าดีกว่าไปสร้างภพสร้างชาติเพราะวิธีการสร้างภพสร้างชาตินี้มันเป็นวิธีที่ที่มันดึงดูดใจของพวกเราเพราะมันให้ความสุขกับพวกเราแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขรอม เป็นความสุขที่จะสิ้นสุขลงด้วยความทุกข์และสิ้นสุดลงด้วยการไปต่อพบต่อชาติไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ mm hmm. เราจึงต้องคอยระมัดระวังคอยสังเกตคอยตรวจสอบแผนที่แผนที่ก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองว่า เรากำลังเดินไปตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเราไม่ไปตามคำสอนเราก็ต้องปรับการกระทำให้เข้ามากับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ ต, ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วท่านที่ต้องการจะหลบฝนก็เชิญตามสบายตอนนี้จะขอพักการแสดงไว้ชั่วคราวก่อนเราให้มีการปรับ เปลนสถานการณ์ก่อนแล้วเราค่อยมาเริ่มกันใหม่ท่านที่ไม่มีปัญหาจะต้องปรับสถานที่เปลี่ยนที่ก็จะนั่งทําสมาธิไปทางๆก่อนก็ได้ปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆมันเป็นไปของมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะเปียกบ้างเปียกน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะในที่สุดเดี๋ยวเราก็ต้องไปอาบน้ํากันเราก็ต้องไปซักเสื้อผ้ากันอยูดี น้ำไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับร่างกายงั้นถ้าเราสามารถนั่งเฉยๆได้เราก็นั่งเฉยๆทำสมาธิไปถ้าเราต้องหลบฝนก็เปลี่ยนที่นั่งไปหาที่นั่งที่ไม่เกี่ยวผลอตอนนี้ ผลก็ได้เบาลงลใกล้จะหยุดลงแล้ววันนี้เราเลยได้นั่งสมาธิกันมากหน่อยปกติเราจะนั่งประมาณ25นาทีวันนี้เรานั่งได้ถึง50นาทีด้วยกันถือว่าเราได้กําไรมากวันนี้ได้บุญมากกว่าปกติการนั่งสมาธิการทำบุญทำทานการรักษาศีลเป็นการตัดภพตัดชาติ ตัดความอยากที่เป็นเหตุให้เรามาเกิดกันให้น้อยลงไปตามลำดับส่วนการไปหาราบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นการสร้างพบสร้างชาติที่เราควรที่จะละเว้นหรือลดการกระทําเหล่านี้ลงไปลดการหาราบยศสารเสริญสุขแล้วเอาเวลามาให้กับการทำทานรักษาศีลภาวนา แล้วต่อไปภพชาติของเราก็จะน้อยลงไปและหมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนการแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรมสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปเรนติสาขลังเอวามวายโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกปติ เอชีตางปัทถังตุมหังค um ิบะเมวัสมิชตะตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตู มาเตภวะจวันตราโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวะธนสีบิปสะนิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวทานติอายุวันุสุขังภาลาง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 ครับวันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโตหนึ่งร้อยสี่สิบแปดพระสุชาติไลฟ์หนึ่งร้อยห้าสิบสามยูทูบด็อวียี่สิบเอ็ดวิทย์อินออนไลน์ห้าคลับเสี่ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามท่านรวมทั้งหมดห้าร้อยสี่ครับถามได้เลย มีหนึ่งคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับลูกป่วยมากขอพึ่งบารมีหลวงพ่อช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงในครั้งนี้จะขอสร้างบารมีบวชและปฏิบัติธรรมทั้งสามีและภรรยาด้วยใจอันแน่วแน่และบริสุทธิ์อยากทราบว่าพอจะหายจากโรคภัยให้ผ่านครั้งนี้ไปได้หรือไม่ครับลูกจะบวชครับ คือโรคภัยนี้มันมีสองโรคซ้อนกันอยู่โรคทางร่างกายกับโรคทางจิตใจโรคทางจิตใจนี่เรารักษาให้หายได้ทันทีส่วนโรคทางร่างกายนี้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มีผลต่อร่างกายที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ทุกอย่างบางครั้งเราก็รักษาให้มันหายได้บางครั้งมันก็ไม่หาย เพราะมันมีเหตุปัจจัยที่เหนือความสามารถของหมอของยาที่จะไปรักษาโรคให้มันหายได้แต่โรคทางใจนี้เราสามารถรักษาให้มันหายได้อย่างหมดเลยถ้าเราเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ <c oughs> ก็คือเราเป็นใจเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราต้องปล่อยวางรักษาเท่าที่เราจะรักษาได้ แล้วใจเราจะสบายใจเราจะไม่เครียดแต่ถ้าใจเราอยากจะให้ร่างกายหายแล้วมันไม่หายมันจะทำให้ใจเราทุกข์ทรมารอย่างยิ่งความทุกข์ทรมานทางใจนี่แหละเป็นความทุกข์ที่ดุรแรงกว่าความทุกข์ทรมานทางร่างกายถ้าเราสามารถดับความทุกข์ทรมารทางใจได้ความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นเหมือนแผลเล็กๆที่มาทำให้ร่างกายเราเจ็บเท่านั้นเอง เหมือนเข็มฉีดยาความเจ็บจากเข็มฉีดยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมุ่งไปก็คือไปรักษาโรคที่เรารักษาได้ก็คือรักษาโรคทางใจด้วยการปล่อยวางด้วยการยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปถ้าเราทําไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสงบใจจะรอใจจะมีความสุข ท, ทั้งกลางความทุกข์ของร่างกายพระพุทธเจ้าพระรหลานทุกองค์นี้ท่นานไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายของท่านเพราะท่านมีเยธรรมะโอสถรักษาใจของท่านไม่ให้ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายได้ อันนี้ก็คือวิธีรักษาโรคทั้งสองชนิดโรคทางร่างกายก็ยกให้หมอเข้าไปหมอก็มียามีอะไรวิธีรักษาก็ให้เขารักษาไปส่วนโรคทางใจเราต้องรักษาเองรักษาด้วยการยอมรับความจริงว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลามันเป็นก็ไม่สามารถสั่งให้มันหายได้ มันจะหายไม่หายมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของทางร่างกายที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้ถ้าเราทำใจได้สอนใจได้ใจเราจะเย็นใจเราจะสบายใจเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายคำถามต่อไปจากคุณออราเหตุใดจิตจึงสั่งให้ร่างกายขับน้ำตาออกมาเมื่อเกิดเวทนาครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่างที่จิตใจ ย, ยังสามารถสั่งได้บางอย่างก็สั่งได้บางอย่างก็สั่งไม่ได้เวลาทุกใจจะสั่งให้มันหัวเราะ ก, ก็สั่งไม่ได้เน่ <c oughs> มันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ภาวะต่างๆที่จะทําให้ร่างกายเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็ร่างกายก็หัวเราะบางรายบางทีร่างกายก็มีปิติก็มีอาเกะน้ําตาไหลมีขนลุกสู้อไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของใจ ที่เรายังควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราจเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาต่อไปเราจะควบคุมอารมณ์ทางใจได้แล้วใจจะไม่มีความทุกข์กับอะไรอีกต่อไปคำถามต่อไปจากคุณลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกมีหนี้มากขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำวิธีแก้ไขครับ ก็ให้เขายึดไปให้หมดเลยไปบวชชีหรือบวชพระเลย<ม>โอกาสดีแล้วัหมที่เราจะได้ไปบวชได้เมื่อเราไม่มีเงินไม่มีทองทรัพย<ม>์สินเขายึดไปหมดเราล่มละลาย<ม><ม>เราก็ไม่หาห า, หาทางหาการหาความดีทางโลกไม่ได้เราก็ไปหาความดีทางธรรมดีกว่าไปเป็นเศรษฐีธรรมดีกว่าไปเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ตามที่ตั้งชื่อของตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี้ต้องบวชได้ต้องปฏิบัติธรรมได้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้จะ้ะสาธุอมรรณานะอย่าไปกลัวนี่อย่างมากก็ล้มละลายเท่านั้นเองถ้าไม่มีเงินจ่ายเขาต้องถือว่าเงินของของที่เราได้มานี้ไม่ใช่เป็นของของเราเราไปเอาเงินของคนอื่นมาซื้อ เมื่อเราคืนเขามเอาเงินคืนเข้าไม่ได้เขาจะเอาของไปก็ให้เข้าไปเท่านั้นเองไม่เห็นจะเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวอะไรเลยเวลาเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาทําไมเราเราอยู่ได้เวลาเกิดมานี่มีมาตัวเปล่าๆอาศัยพ่ออาศัยแม่เลี้ยงดูไปแล้วพอโตขึ้นเรามีกําลังซื้ออะไรแล้วก็ซื้อมาแล้วเราก็ไปติดมันพอถึงเวลาที่เราจะต้องเสียมันเราก็เลยทุกข์ใจเพราะเราไม่อยากจะเสียมันเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรามองภาพรวมให้ดีแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรภาพรวมก็คือเรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัวเปล่ปาๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเวลาตายก็เหมือนคนล้มละลายดีๆนี่คําถามต่อไปจากคุณหอพักแสงเดือนเนื่องจากเหตุการณ์การต่อสู้ทางชายแดนนะครับก็มีการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเป็นฝ่ายสูญเสียย่อมไม่เกิดผลดีด้วยกันทั้งนั้นพระอาจารย์มีหลักธรรมใดหรือไม่ครับที่ผู้นำของทั้งทั้งสองประเทศนำไปใช้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายและเกิดความสงบสุขเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้ครับก็เมตตาไงเมตตาทำคำจุนโลกเราขาดเมตตากันเราอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันแทนที่จะให้อภัยกัน แทนที่จะให้ความรักต่อกันเรากลับมาเกลียดชังกันอันนี้แหละสาเหตุที่ทําให้เราโลกเราร้อนขึ้นมาเพราะขาดความเมตตาเราสวดบทแผ่เมตตากันทุกคืนแต่การสวด น, นี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องแผ่จากการกระทําเช่นเพื่อนบ้านเขาลุกล้ําเขตเรานิดหน่อยก็อ้าไม่เป็นไรอยากจะได้ที่นี่เลยเอาไปยกให้เขาไปเรายังอยู่ของเราได้อยู่เราไปเดือดร้อนทําไม ต้องใจกว้างถ้าเราอยากจะอยู่กันในโลกนี้อย่างมีความสุขถ้าเราอยากจะอยู่กันอย่างมีมีมีความโกรธเกลียดชังกันเราก็ต้องใจแคบห่วงแหนแล้วตายไปมีใครเอาไปได้หรือเปล่าเขาก็เอาไปไม่ได้เราก็เอาไปไม่ได้เขามันก็อยู่ตรงนี้แหละก่อนหน้าที่เราจะมาเกิดมันก็ไม่ได้เป็นของเราสักหน่อยพอเรามาเกิดปั๊บเราก็เลยมาอุปทานยึดว่าเป็นของเราขึ้นมา แล้วก็หวงแล้วก็ต่อสู้กันถ้าเป็นแทบตายฆ่าฟันกันแล้วในที่สุดเวลาตายไปก็ไม่มีใครออกไปได้มองหลักนี้นะหลักว่าสมบัติในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติถัดกันชมอย่าต้องเสียความเมตตาในการรักษาสมบัติเลยเพระพุทธเจ้าบอกให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อให้รักษาธรรมธรรมก็คือความเมตตาธรรมนี่ ถ้าเรามีความเมตตาธรรมแล้วเราจะอยู่กันอย่างร่มเยงเป็นสุดคนเราไม่ต้องการอะไรมากหรอกมีที่สิบตารางวายี่สิบตารางวาปลูกบ้านปลูกแค่ให้อยู่เนี่ยพระธุดงค์นี่ท่านไม่ต้องการที่มากมายเลยท่านปลูกแค่อันหนึง่งกว้างสามเมตรยาวสี่เมตรนี่ก็อยู่ได้แล้วแล้วเวลาตายไปก็ยิ่งแคบใหญ่หรือแค่ลงศพเท่านั้นเองจเจ้าอะไรไปมากมายกายกองทําไม ความโลภความหลงมันทำให้เราขาดความเมตตากันเราต้องมองความจริงอยู่เรื่อยๆสอนใจเราว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติผัดกันชมเป็นสมบัติชั่วคราวเดี๋ยวตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเราจะมาเสียเวลาม า, มาเครียดมาทุกกับการรักษาทรัพย์สมบัติชั่วคราวไว้ทไม ซูมมารักษาทรัพสมบัติที่เป็นของจริงที่ของเราอย่างถาวรคือใจของเราไม่ดีกว่ารักษาใจของเราให้สงบให้เย็นมีความสุขด้วยการมด้วยการมีความเมตตาต่อกันและกันคาถามต่อไปจากคุณจรัญญาเราไม่ควรจะไหลาตามความคิดโดยการมีสติคือสนใจในปัจจุบันยับยั้งความคิดใช่ไหมครับ พระอาจารย์บอกว่าต้องอยู่แบบว่างๆไม่อยู่กับความคิดใช่ไหมครับใช่อย่าคิดเลยเพราะความคิดเราส่วนใหญ่เป็นความคิดของกิเลส ข, ของความหลงคิดแล้วก็อยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจอยากก็เครียดเกิดความเศร้าขึ้นมานั้นอย่าไปอยากกับอะไรให้ยินดีตามมีตามเกิดให้มีเท่าที่จําเป็นมากน้อยสันโดษสิ่งที่จําเป็นก็แค่ปัจจัยสี่ท่า น, นเองอาหารเครื่องนึ่งหม่ม ที่ออาศัยยารักษาโรคถ้าเรามีสี่อย่างนี้ก็พอแล้วความจำเป็นนอกเหนือจากนั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไม่มีผลอะไรต่อจิตใจของเราต่อความสุขของจิตใจของเราสิ่งที่มีผลต่อความสุขของจิตใจของเราคือการทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งทำใจให้ปล่อยวางคำถามต่อไปจากคุณเปรี้ยว วันนี้ผมได้ถวายน้ำซึ่งเป็นแพ็คและหล่นไม่ทราบว่าได้โดนเท้าพระอาจารย์หรือไม่ครับผมกราบขออภัยด้วยครับออไม่เป็นไรเราไม่เป็นอะไรโดนนิดหน่อยแต่ไม่เจ็บอะไรมันเป็นเรื่องปกติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกแขงทุกคนทุกแขงทุกคนคำถามต่อไปจากคุณ everything ผมป่วยคิดว่าจะลาจากโลกเลยลงทุนในภรยา ทำกิจการเพื่อดูแลครอบครัวภรรยาบริหารไม่เป็นทําให้กิจการขาดทุนและเป็นหนี้บริษัทแม่อยากกราบขอคําแนะนําพระอาจารย์ด้วยครับว่าควรทําอย่างไรครับย้ายทำไงเราไม่ใช่เป็นนักธุรกิจนะเราก็บอกให้ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นจะถูกยึดจะถูกล้มละลายอย่างไรก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไป ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้งนั้นอย่าให้ใจเราทุกข์กับมันก็นแล้วกันเพราะในที่สุดของทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีอยู่ในวันนี้มันก็จะต้องจากเราไปอยู่ดีตายแบบคนจนนี่สบายกว่าตายแบบคนรวยนะเพราะคนรวยมีทรัพย์สมบัติมากต้องเสียดายเสียดายมากทุกข์มากคนคนจนอย่างคนขอทานนี่เขาไม่ค่อยทุกข์กับความตายเท่าไหร่ เพราะเขาไม่มีอะไรจะต้องสูญเสีย uh huh. เขาไม่มีความเสียใจว่าต้องเสียทรัพสมบัติอะไรไปเพราะเสียยงมากก็เครยงร่างกายของเขาและร่างกายของเขามันก็ไม่ค่อยมีความสุขอยู่แล้ว uh huh. เสียความทุกข์ไปมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเสียใจเท่าไหร่ไม่เหมือนกับคนที่มีความสุขมีทรัพย์เยอะแยะ uh huh. เวลาตายนี่จะเสียใจมากจะทุกข์มากเพราะเสียความสุขไปเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไป คำถามต่อไปจากคุณทีคัฒนาการปฏิบัติของลูกทำมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุด20กับกว่าปีมาแล้วมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของร่างกายเนื่องด้วยว่าจากอาการป่วยแล้วแต่ก็มีความสุขในการอยู่กับธรรมะตลอดเวลาอยู่ตรงไหนก็เป็นธรรมหมดกายเจ็บป่วยแต่ใจกลับอยู่ได้แบบไม่ทุกข์ครับรู้สึกมีความสุขในธรรมะอย่างเย็นสบาย อันนี้เป็นผลจากการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับถูกต้องถ้าเรามีธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจอย่างต่อเนื่องจิตใจเราก็จะเย็นจะสงบจะสบายไม่วุ่นวายไม่ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคําถามต่อไปจากคุณศรัทธาถ้าเราเมตตากับคนที่ไม่ดีจะเป็นการเมตตาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนไม่ดีหรือไม่ครับ พระพุทธเจ้ายังเมตตากับองค์คุลิมันพระพุทธเจ้ายังทรงเมตตากับพระเทวทัตที่พยายามปรองพระชนถึงสามครั้งด้วยกันเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าเหตุที่ทำให้เขาต้องทำนี่ก็เพราะเป็นวิบากกรรมของเขาเป็นเป็นโมหะอวิชชาของเขาที่เขาจะต้องแก้ไขต่อไปในอนาคต การที่ไปเกลียดไปชังเขาไปอะไรไปทําร้ายเขาไม่ได้เป็นเป็นการไปแก้ปัญหาของเขาการแก้ปัญหาของเขาก็ให้ความเมตตากับเขาแล้วเมื่อเขาเห็นความเมตตาของเราเขาก็อาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาได้เช่นองคุลิมานพระพุทธเจ้าทรงมีความเมตตาองค์ุลิมานก็เลยไ ด, ได้ได้เปลี่ยนจากมหาโจรกลายเป็นภาพอาณาหารขึ้นมาได้พระเทวทัตหลังจากที่ได้สํานึก ความผิดของตัวเองอก็มาขอขออภัยจากพระพุทธเจ้าการทำนึกผิดการขออภัยนี้บอกว่าจะทําให้พระเทวทัตหลังจากที่ไปใช้กรรมในนรกแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าต่อไปนั้นจากการใช้ความเมตตาเนี่ยเป็นการวิธีที่จะช่วยเขาได้ดีที่สุดคําถามต่อไปจากคุณเกตุริน ลูกขอกราบเรียนถามสภาวะธรรมขณะปฏิบัติเห็นรูปหัวใจและการเต้นของหัวใจที่ดังมากๆแต่ก็รู้ลมหายใจพุโทโธและเกิดสภาวะธรรมน้ำตาไหลแต่ลูกพิจารณารู้ลมพุโทโธและสังขารไม่เที่ยงเกสาโลมานขาทันตาตโจพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกราบขอคำชี้แนะเพื่อเป็นการปฏิบัติต่อยอดครับไม่ถูกเรา เวลานั่งสมาธิให้เราอยู่กับพุทโธแล อ, อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งพุทโธอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปสนใจมันเป็นอาการที่จะมาหลอกล่อเราไม่ให้เข้าสมาธิเท่านั้นเองยังถ้าเราต้องการเข้าสมาธิเราต้องไม่สนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรานั่งสมาธิให้เราสนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจถ้าจะใช้พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธ ใช้ลมก็อยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเราไปสนใจเราก็จะเสียสมาธิเราจะไม่ขาสามารถเข้าสมาธิได้แต่ถ้าเราอยู่กับลมอย่างต่อเนื่องหรืออยู่กับพุทโธอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็เด่งเข้าสู่ความสงบได้คําถามต่อไปจากคุณมาลีเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วจิตเราจะออกจากร่างและไปเกิดใหม่ทันทีหรือว่ามีระยะเวลา กี่วันจึงจะเกิดใหม่ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับจิตเราไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้จิตเราอยู่โลกทิพย์เพียงแต่มีมีกระแสวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายเราพอร่างกายตายไปกระแสวิญญาณนี้ก็จะขาดขาดการติดต่อกับร่างกายจิตก็อยู่ในโลกทิพย์จะอยู่แบบไหนท่านันเองอยู่แบบเทพหรืออยู่แบบเปรอยู่แบบ มาอยู่แบบเดรัจฉานก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปเป็นไปทันทีไม่ได้รอถ้าใจตอนนี้เป็นเทพพอร่างกายตายปุ๊บใจก็ไปเป็นเทพทันทีถ้าใจตอนนี้เป็นเปรตเวลาร่างกายตายไปปุ๊บใจก็ไปเป็นเ ป, นเปรตทันทีคำถามต่อไปจากคุณอาเมื่อปฏิบัติแล้วมีอุเบกขาได้อย่างต่อเนื่องทำให้ใช้ปัญญาทาลายกิเลสได้ใช่ไหมครับ ถ ต, ต้องถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราหยุดกิเลสไม่ได้อุเบกขานี่เป็นตัวหยุดหยุดกิเลสเพียงแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นกิเลสเราต้องอาศัยธรรมะปัญญามาบอกเราเพราะความอยากมันมีทั้งความอยากที่เป็นธรรมและความอยากที่เป็นกิเลสเช่นความอยากจะนั่งสมาธิความอยากจะทําบุญความอยากจะรักษาสีนี้เป็นธรรมอันนี้ไม่หยุดมันแต่ความอยากหาลาบยศสฉลเสริญหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นร อันนี้เป็นกิเลสเราต้องหยุดมันอันนี้ต้องมีปัญญาถึงจะรู้ว่าความอยากแบบไหนเป็นความอยากที่ต้องหยุดความอยากแบบไหนเป็นความอยากที่เราไม่ต้องหยุดคำถามต่อไปจากคุณชอ ย, อยขอกราบเรียนถามพระอาจารย์แนะนําให้ในการเริ่มต้นพิจารณาร่างกายในขณะที่เดินจงกรมครับก็พิจารณาว่าร่างกายเราไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่วันเกิดขึ้นมานี้มันออกมาเป็นทารกต่อมามันก็เติบโ ต, ต, ตเป็นเด็กเป็นเด็กโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนเจ็บแล้ใ น, นที่สุดก็กลายเป็นคนตายไปพิจารณาอยู่บ่อยๆให้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าทักวันหนึ่งร่างกายในที่สุดก็ต้องเดินไปสู่ความตายเราพิจารณาเพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกขก์กับความเจ็บ ถ้ายัางทุกข์อยู่แสดงว่าเรายังไม่มีกำลังหยุดความอยากที่อยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิให้เกิดอุเบกขาให้มากๆเมื่อมีอุเบกขามากๆแล้วมีปัญญาสอนใจว่าร่างกายนี้จะต้องแก่เจ็บตายเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับมีใครอยากจะถามอะไรอีกหม ถ้าพูดมายังขาดไม่ครบเครื่องหรืออะไรก็สงสยัยในกระจ่างก็สามารถถามต่อได้ถ้าไม่มีก็ถือว่าเข้าใจกันหมดทุกคนแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว <c oughs> ขอยุดติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ